ท่านฟังที่ครบคะ่ะเราก็กราบน้อมสักการพระมารชาคขาวโรไปเรียบร้อยเป็นการขอบคุณท่านที่นําเราปฏิบัติธรรมกันอยู่เป็นประจํานะคะการปฏิบัติธรรมสําคัญอย่างไรเดี๋ยวเราไปถามพระอาจารย์พบุตรอภิปุลโนที่จะมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผู้ทวชนะกันอีกสักครั้งหนึ่งคะ่ะกราบน้อมสการกับท่านคะเลี้ยงผ่านการปฏิบัติธรรมสำคัญอย่างไรกันอันนี้ก็เป็นพุทธบูชาไปเลยว่า ที่พี่เจ้าพูดถึงไว้ตอนก่อนตร์ก่อนบริญนิพพานนะว่าบุคคลใดปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่เนี่ยผู้นั้นชื่อว่าเคารพบูชาสัการะนะสรรเสริญตถาคต ด, ด้วยการบูชาอันสูงสุดค่ะแล้วก็ถ้าเรามาดูในอริยสัจ ส, สี่ที่เราพูดถึงรู้ทุกสมบุธายนีร้รอดมรรคใช่ไหมค่ะไอความรู้ตรงนี้เนี่ยพระเจ้าแฝงการปฏิบัติไว้ด้วยนะเพราะว่าคุณต้องรู้ว่าเอออย่างตัณหาในควรละ เรนะรู้ว่าตัณหานี้มีอยู่เรนะรู้ว่าตัณหากวรละแล้วก็อย่างที่สามนี่รู้ว่าตัณหาเราได้ละแล้ว <sque> e. ก็คือปฏิบัติอยู่ด้วยเลยในความรู้นี้อ่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างสัมมาทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิคือความเห็นใช่ไหมจริงๆคือความรู้ที่เราเอามารู้รู้เข้าไปในใจรู้แล้วปฏิบัติเลยนะ inta, รู้ว่าเราได้ทําแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตรงนี้ก็คือทิฏฐิด้วยนะเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นปฏิบัตินี่ดีมากๆต้อง สำคัญที่สุดเลยล่ะว่าอย่างนั้นเพราะว่าสมาธิิเนี่ยเป็นธรรมนาหน้าอ<ม>คุณจะเห็นมรรคทั้งแปดได้เต็มหมดเนี่ยคุณต้องมีสมาธิถ้าคุณจะมีสมาธิิได้มันแฝงการปฏิบัติอยู่ในนั้นแล้วอ๋อค่ะนะคะดูทุกสมุดไทยนิโรธมรรคในแฝงการปฏิบัติเอาไว้ในนั้นแล้วใช่อันนี้ทําไมเอาพุทธวจนะตรงไหนมาพูดถึงก็เป็นธรรมบัจจการบวนาสูตรในนิพพานตราการพิษุห้ารูปในการ แบบลือเสียหนากครั้งแรกที่ป่าอิสิป ต, ตนะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องที่ท่านไปบูรถืเโอกาสเป็นพุทธชยันตีฉลองกันด้วยพุททวันะดังกล่าวนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะท่านฟังค ะ, ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่ารายการของเราห่วงเวลานี้ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเขาถือกันว่าก็พุทธองค์เนี่ย ได้ตรัสรู้มาแล้ว 2,600 ปีทั่วโลกจริงเฉลิมฉลองและประเทศไทยเราก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ก็เป็นเวลาพอสมควรพอถึงวิสาขานะนี่ค่ะจะเห็นการโหมที่จะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายถวายเป็นพุทธบูชากันต่อนเนื่องไปทั้งปีนะคะเราก็เลยค่ะเลืออีกไม่ถึงเดือนเนอะกว่าจะถึงวิสาขบูชาเนอะใช่ค่ะเล <Okay. S 1> อเวลาอีกไม่ถึงเดือนซึ่งพระพุทธองค์ก็ตรัสรู้ในวันวิสาขะก็เท่ากับว่าครบครอบ ตรงนั้นถ้านับแบบที่เขากําหนดเอาไว้อย่างนี้นะคะใช่ใช่อันนี้เราก็นับเอาตามที่เขานับการก็โอเคท่านทั้งหลายที่ปฏิบททัติธรรมท่านทั้งหลายที่ฟังธรรมเนี่ยถือว่าได้มีส่วนกับพุทธเจานตีแล้วหรือเปล่าคะโอเอ่อการบูชาพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอก ว, ว่าต่อให้อยู่ไกล ร, ร้อยโยต์นะถ้าบอกว่าเป็นผู้ที่มีใจนิวรณ์ละนิวร์แล้วนะมีความเพียรปรารบแล้วไม่ย่อหย่อนมีสติ เข้าไปตั้งเวล้วไม่ลืมหลงกายสงบระงับแล้วไม่กระวนกระวายจิตตั้งมั่นแล้วเป็นอารมณ์เดียวโอ้อยู่ที่ไหนคุณก็สบายใจได้บูชาไ<า>ด้นะ ก, การที่เราบูชาทำด้วยการปฏิบัตินี่เป็นการบูชาอย่างยิ่งสูงสุดเลยค่ะท่านพิบูณคะดิฉันเห็นเขาเขียนหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยนะคะแต่ว่าคําเขาเนี่ยฟังดูดีแล้วดิฉันเลยสนใจว่าในอความเป็นจริงของมนุษย์เนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้ที่ เป็นธรรมะของพระศาสดาของเราหรือไม่คือเรื่องจุดอ่อนจุดแข็งของมนุษย์นะคะเขาบอกว่าสากัดจุดอ่อนสะท้อนจุดแข็งตามธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยนะคะออะไรคือจุดอ่อนของมนุษย์อะไรคือจุดแข็งของมนุษย์คะเออจริงๆจุดอ่อนกับจุดแข็งเนี่ยคืออันเดียวกันนะถ้าอ า, า ม, มามาดูพูดถึงยิงしし่งสมุปภะนี่แหละคือจุดอ่อนของเราภะะนี่คือจุดอ่อนของมนุษย์ เพราะว่ามันมันเข้าได้หมดเป็นช่องทางที่จะให้มารก็เข้าได้นะเป็นช่องทางที่จะจุดเป็นจุดแข็งก็ได้เพราะว่าถ้าเราเลือกของดีๆเข้าก็เข้าจิตเราได้นะตรงภาษาตรงนี้ค่ะทีนี้จุดแข็งที่ว่าที่ว่าพูดถึงว่าอันนี้ก็คือจะไม่ต้องมีสติตที่เป็นคอยควบคุมเจ้าตัวภาษาตรงนี้คัะเพราะ น, นั้นพระเจ้าจึงบอกว่าองนั้นคุณก็ดับเวทนา ค, คือคือความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยคุณโยมถึงมันจะไปรวมลงที่เวทนาทําไมธรรมาถึงบอกว่าไอ้ภาษานี่คือจุดอ่อนเพราะว่าเหตุเกิดของเวทนาก็คือภาษาแต่จึง<ม>จึงบอกว่าภาษาเนี่ยเป็นจุดอ่อนในความเห็นของตัวเราเองนะคือถ้าผู้ทธมัสยที่บอกว่าอันนี้คือจุดอ่อนของมนุษย์เนี่ยก็จะไม่ได้พูดถึงตรงนี้แต่เพราะว่าจุดอ่อนจุดแข็งยังไงมันก็มีมันก็แก้ไปได้ตามระบบแต่พระเจ้าก็จะไม่ได้พูดประเด็นนี้แน่นอนแต่ก็จะพูดถึงวิธีแก้เลยว่าทาไงถึงระบบทั้งระบบถึงจะดับไปได้แต่มีความทุกข์น ทีนี้ที่เราสุบบอกว่ า, วาออภาษาเนี้น่าจะเป็นจุดอ่อนนะเพราะว่าเราในในความเห็นของตัวเองที่เกี่ยวกับเรื่องของความเวทนาคือความสุขความทุกข์ตรงนี้ค่ะหมายถึงว่าผุ้ทวจนะเนี่ยมีในธรรมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของภัสสะเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ว่าความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยรวมลงที่เวทนาเหตุแห่งเวทนาคือผัสสะนนี้มีอยู่เพียงแต่ว่าท่านไทรบูรเนี่ยได้สังเคราะห์เอามาว่าน่าจะ อธิบายคําว่าจุดแข็งและจุดอ่อนที่ถามได้ใช่ไหมคะใช่ใชค่ะทีนี้กจ็จุดแข็งจุดแข็งในจุดแข็งก็ในเมื่อจุดอ่อนมันคือไอ้เจ้าภาษาใช่ไหมจุดแข็งก็คือสติ น, นั่นเองอ่าสติที่ว่าจะมาคุมไอ้เจ้าตัวนี้ค่ะเพราะว่าทวารเนี่ยทางเข้าออกเนี่ยนะถ้ามีสติคุมแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น<ม>พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับเมืองใช่ไหมอย่างในประตูเมืองเนี่ยถ้ามีคนเฝ้าประตูเป็นคนฉลาดเนี่ย ก็จะสามารถห้ามเข้ากับคนที่ windows, anyway. ไม่รู้จักให้เข้ากับคนที่รู้จักได้แต่คนที่ไม่รู้จักก็คือไอ้เจ้าอกุศลธรรมห้ามเข้าอย่างคนมาในศูนย์ราชการหรือว่าหมู่บ้านหรือว่าในโรงงานที่เขามียามมาแล้วคุณโยมติ๋วคุณไม่มีบัตรคุณห้ามเข้านะมาขายของขายอะไรห้ามเข้านะคเหมือนกันถ้าเรามีสติอกุศลเข้าไม่ได้อาจคนรู้จักคุณมีบัตรจะไม่เข้าเลยอันนี้คือกุศลธรรมเข้าได้เหมือนกันอ่า แล้วก็เราจะต้องรอคอยราชทูตคุณโยมติวราชทูตคู่หนึ่งที่มาส่งสารแตนะราชทูตคู่นี้ก็คือสมถาวิปัสนาะข้อความที่เขามาส่งให้เจ้าเมืองคือจิตเนี่ยนะก็คือนิพพาน ข, ข, ข้อมูลนี้คือนิพพานเพราะฉะนั้นสติเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้วิชาสมถาวิปัสนาเกิดขึ้นได้ให้เขาเข้ามาได้นี่คือจุดแข็งทีนี้ถ้าเราบอกประตูเนี่ยประตูคือจุดอ่อน คือรู้ว่าคุณทําแข็งแรงแค่ไหนก็ตามตรงประตูเนี่ยคือจุดอ่อน<ะ>อืมอย่างนี้นะเร า, าก็ต้องเสริมจุดอ่อนตรงนี้ด้วยสติแต่ถ้าเราไม่เปิดเลยเนี่ยมันก็ไม่มีช่องให้ราชทูตเข้ามาคือสมถาวิปัสนาค่ะออืมการชทูตคือสมถาวิปัสนามากัะสองคนใช่มาคู่กันสมถะต้องคู่กับวิปัสนาเวลาท่านเปรียบเทียบกับหมู่บ้านใช่ไหมคะที่ยามอนุญาตให้เข้าเนี่ยนั่ก็ข่ำนะคะหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยค่ะ เวลาดีฉันจะเข้าเนี่ยเขาไม่ให้เข้าอ่าดิฉันเห็นมอเตอร์ไซคลับจ้างผ่านไปฉลุยเลยโดยเขาไม่ตรวจอมีอยู่พักหนึ่งแล้วก็ขำนะเออแปลกดีเพราะฉะนั้นยามประตูนี่ต้องเป็นยามประตูที่ใช่ลยคฉลาดต้องควนคนฉลาดเออค่ะเอก็คือต้องเป็นยามประตูที่ฉลาดถ้าเปรียบเทียบทางธรรมะคืออะไรนะคะอในทํานารผู้ฉลาดอ๋ออสติสติสตินะคะคือต้องต้องมีสติ หถูกต้องเป็นในทวารเป็นทวารก็จะอนุ ญ, ญาตให้สมถะเลือกปัสนาเข้ามาใช่สติในที่นี้ถ้าปแปลโดยทั่วไปก็คือการระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดและแม้นานได้อในที่นี้เราก็มาระลึกถึงลมหายใจใช่ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งให้แห่งการระลึกถึงอืค่ะแม้พูดถึงระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูด แล้วแม้นานได้ อ, อันเนี้ยฟังแล้วก็รู้สึกขวัญเสียเหมือนกันนะคะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> จำคําที่พูดแล้วแม้นานได้ <c oughs> ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของของสติถูกไ้มคะที่ท่านพูด <c oughs> ใช่ใช่ทีนี้สำหรับคนพออายุมากๆเข้าเนี่ยอ๋อตรงนี้ตรงนี้อ่ะ <c oughs> คือตรงนี้ทำให้บางคนไปสั บ, ส, บสนเรื่องของสติเนี่ยเป็นเป็น เป็นความจํำแต่แต่ทีนี้พระพุทธเจ้าหมายถึงส่วนที่คือความจำเนี่ยนะคุณโยมติวทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยทางนักจิตวิทยาเนี่ยหรือว่านักพวกนักความจำเนี่ยนะเขาจะแบ่งความจําของเราเนี่ยออกเป็น3ส่วนคือส่วนที่เก็บข้อมูลเข้าไปส่วนส่วนที่บันทึกบลง2ส่วนที่เก็บข้อมูลและสส่วนที่ดึงออกก็จะเป็นสมมติคุณโยมติวจะเรียนภาษาเกาหลีอย่างเงี้ยคุณต้องจดเข้าไปก่อนแล้วคุณต้องบันทึก นะคือตอนที่จดเข้าไปเนี่ยเหมือนกับถ้าเราพูดถึงไอ้เจ้าตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคือการ <คะ S 1> ที่หัวอ่านเนี่ยมันไปเขียนอยู่บนไอ้แผ่นดิสใช่ไหมแล้วการ<ค>ที่ดิสเก็บข้อมูลเอาไว้ไฟดับก็ไม่หายเนี่ยก็คือการเก็บข้อมูลแล้วการที่ไอ้หัวอ่านมันดึงข้อมูลเนี้ออกมาอีกทีนี่คือการดึงออกมามีสามขั้นตอนค <ะ S 1> อ่าทีนี้อย่างไอ้พวสติเนี่ยตรงนี้คือขั้นตอนตัวที่สามเท่านั้นเองที่ดึงออกมาแล้วส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของสัญญาไงนึกไหมส่วนที่ เขียนลงไปกับส่วนที่บันทึกเอาไว้ในเป็นเรื่องของสัญญาส่วนที่หนึ่งออกมาเป็นเรื่องของสติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่มีทางที่จะลืมลมหายใจของเราได้เพราะลมหายใจมันอยู่กับเราตลอดอคือไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องที่แบบภาษาอะไรคือความจําขึ้นหนึ่งกับสอถ้ามันไม่มียังไงสามเราก็ดึงไม่ได้ค่ะคือเราลึกถึงสิ่งที่ทําในนี้พอเข้าใจค่ะแต่อบอกว่าจําคําที่พูดแล้วแม้นานได้นตกใจเลยค่ะคุณยมติวพูดเยอะมากเนาะใช่ค่ะคือเรามานั่งคิดไงปัจจุบันเนี้ย ดิฉันมีนะคะไม่ได้เจอใครนานๆเนี่ยเป็นคนที่รู้จักกันดีเลยสมมุติว่าเราเรียกเขาว่าอ่าคุณลุงกลุงบวยอย่างเงี้ยนะคะ uh huh. พอจะนึกชื่อจริงนึกไม่ออกกระทึนคะ uh huh. อยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้แล้วเพราะไม่ได้เจอกันนานมากแล้วก็ไม่เคยเรียกชื่อจริงท่านมานานมาก uh huh. อื่ามันก็เลยตกใจว่าเอ๊ะจําคําที่พูดแล้วแม่นนานได้เนี่ยทําให้ไม่มีสติเนี่ดิฉันตกใจเลยนะคะ uh huh. สติเนี่ยคือนี่คือคํานิยามของคำว่าสติโดยทั่วไปแต่ในพุช้างนิยามสัมมาสติแนพุทธช้นิยามสัมมาสติโดยการพูดถึงกายเวทนาจิตตำในตรงนี้คือสติปัฏฐานสี่ะถ้าเรามีกายเราเริ่ถึงกายได้อันนี้โอเคละดีละอยู่ในสัมมาสติแล้วอืมงนั้นใครที่จำไม่ค่อยได้แบบที่ฉันก็ไม่ต้องไปตกใจนะคะอือ อ, อันนี้เป็นคําจํากัดความที่<ม>จะว่าไปแล้วอสติที่ ในทางพ ร, พระพุทธศาสนาในทางการปฏิบัติคือสติปัฏฐานสีถ่ถูกต้องถูกต้องค่ะมีฐานที่ตั้งของความระลึกถึงความระลึกถึงต่างๆนะคะมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมใช่เป็นเรื่องของการปฏิบัติถูกต้องซึ่งคิดว่าในการปฏิบัติเนี่ยเราเราพูดกันอยู่เรื่อยๆกันเป็นประจําอยู่แล้วนะในวันนี้คืออย่างเรื่องสติเนี่ยคุณยมเติ๋ยว พระพุทธเจ้าจริงๆทั้งชีวิตของพระองค์เนี่ย ค, ค, คือพูดถึงเรื่องสติในสมมติถ้าเราจะพูดสั้นๆก็คือคุณมีสติอยในลมหายใจสั้นๆแค่นี้จบเลยไม่ถึง1วินาที2วินาทีก็พูดจบถ้าเราเอามาอธิบายให้เป็นรายละเอียดนะเวันนู่นคุณมาหลีกในปฏิบัติมานั่งสมาธิอธิบายเรื่องสติกันทุกวันนั้นด้วยเนื้อยตะต่างๆคุณเจอปัญหานี้คุณทํำยังไงถ้าจะให้ขยายความออกไปกเป็นพิสดารเข้าไปในสีปีที่พพุทธเจ้าทรงสอนเนี่ย ก็เรื่องสติทั้งนั้นอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นสตินี่เรื่องใหญ่มากใช่ใช่เป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวค่ะและเป็นเรื่องที่ที่ท่านบอกว่าถ้าพูดสั้นๆอธิบายได้อย่างนี้ทีนี้ถ้าปฏิบัติสั้นๆเนี่ยปฏิบัติได้ไหมคะเรื่องสติอ่ะเราหมายใจไงเรามารู้รเราหมายใจระลึกอผู้าชายใช้คํานี้ว่าอาเป็นผู้ที่ดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าค่ะมีสั้นๆเลยนะดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นผู้ที่เข้าถึงคำสอนของพระศาสดาที่ท่านสอนมากเหลือเกินอย่างสั้นๆง่ายๆ<ม>ขอให้ท่านระลึกระลึกรู้อยู่กับลมหายใจคือมีสติอยู่เฉพาะหน้าถูกต้องนะคะโ<ม>อ้แต่ทีนี้พอท่านพูดว่าแต่ถ้าต้องการที่จะเข้าใจรายละเอียดยี่มากขึ้นค่ ะ, ะให้ไปลีกเดนใช่นะคะแล้ว ดิฉันก็อยากจะถามต่อนะคะว่าเท่ากับว่าเราจะต้องทําความเข้าใจในเรื่องของสติให้ละเอียดมากขึ้นไปด้วยหรือไม่สําหรับคนที่ฝากใฝ่ายทางปฏิบัติค่ะ อ, อ๋อแน่นอนแน่นอนคือหมายกับว่ า, าสมมติอ่ะดัมโมสติเฉพาะหน้าคุณฟังแค่นี้แล้วไงต่อเอ๊ะจะต้องตามลมไหมแล้วถ้าจะทำไงกับความคิดดีแล้วถ้างงนอนจะจัดการยังไงแล้วถ้าคนนี้มาว่าเราเราจะทํายังไงเนี่ยเยมันคือรายละเอียดที่คุณต้องศึกษาเพิ่มนะ นะคะทีนี้ไม่ได้ไปอลีกเล้นสัปดาห์หน้าขอทราบเรื่องสติอย่างละเอียดเลยได้ไหมคะได้ได้ได้นะคะงั้นก็กราบนัสวัช ก, การขอบพระคุณท่านเราคงจะบอกท่านว่าสำหรับท่านเพบูรเนี่ยถ้าท่านติดตามฟังต่อวันเสาร์อาทิตย์อย่างไปพูดที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนในรายการของเรานะคะท่านมาร์กรฉันก็จะ พักไปเพ้่อมๆกับท่านไพบุ์ในรายการนี้เนี่ยจนกว่าจะถึงวันจันนะคะตีห้าเหมือนเดิมสำหรับวันนี้กราบน้อมสักการขอบพระคุณค่ะเจริญบานค่ะเราก็แทนความคิดถึงที่มีต่อท่านอาจารย์ไพบุ์และรายการนี้ท่านก็จะใช้วิธีที่มีสติรู้อยู่กับลมหายใจหรื อ, อมีสติอยู่เฉพาะหน้านี้ก็ได้นะคะจนกว่าจะถึงวันที่เราจะพบกันระหว่างนี้ถ้าจะ เขียนมาขอหนังสือพุทธวจะนะหรือว่าง่ายที่สุดก็โทรศัพท์ก็ที่022690006ส่วนจะเขียนคำถามขึ้นไปที่เพ e ย t h a m ม .com/106 ท่านไปบุญก็จะพิจารณาในเรื่องของการจะนำมาตอบที่นี่เองเลยนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าพุทธวัตรสวัสดีค่ะ